เมื่อตอนบ่ายนะที่ฮอตรนี่เราก็มีการจัดกิจกรรมจัดดอกไม้นะจัดดอกไม้ใส่แจกันอันนี้ไม่ใช่เพื่อการประดับประดาเพื่อความสวยงามของสถานที่อย่างเดียวนะจุดหมายก็คือเพื่อ ให้เราได้รับรู้ถึงความรู้สึกของเราในขณะที่จัดดอกไม้เมื่อเราจัดดอกไม้มันไม่เพียงแต่ทำให้ดอกไม้มีความสวยงามมากขึ้นแต่ว่าดอกไม้นั่นเองก็ช่วยจัดใจของเราให้ ให้งดงามให้ประณีตได้เหมือนกันอันนี้ถ้ามองในแง่นี่ก็คือกฎแห่งกรรมเหมือนกันนะกฎแห่งกรรมก็มีความหมายแบบนี้ด้วยก็คือว่าสิ่งที่เราทำอะไรไปมันย่อมส่งผลสะท้อนกลับมาที่ตัวเราไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ในสิ่งที่เราลงแรงทำอะไรไปก็ตามมันย่อมมีผลสะท้อนกลับมาที่ตัวเราเสมออย่างน้อยก็ในแง่ของจิตใจถ้าเราทำด้วยความใส่ใจทำด้วยความทนุถนอมสิ่งนั้นมันก็ ช่วยกล่อมกล่าวจิตใจของเราให้อ่อนโยนได้เหมือนกันเหมือนกับเวลาเราทำความสะอาดห้องที่มันรกที่มันทึบอับทำให้เป็นระเบียบทำให้สว่างสวยัยโล่งโอทงโปร่งมันไม่เพียงแต่ห้องเท่านั้นที่โปร่งโล่งแต่ว่า ใจเราก็จะรู้สึกโปร่งโล่งแล้วก็เป็นระเบียบละเอียดละออด้วยอันนี้มันเป็นธรรมดาเป็นกฎธรรมชาตนะิทำนองเดียวกันเวลาเรากวาดใบไม้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่ทางสะอาดเท่านั้น แต่ว่าก็มีส่วนช่วยให้ใจเราสะอาดด้วยถ้าหากว่าเรากว่าด้วยความใส่ใจไม่ใช่ใจลอยก็จะช่วยทำให้จิตใจของเราสะอาดสะอ้านขึ้นเดีวาเราทำงานก็เหมือนกันถ้าเราทำงานด้วยความใส่ใจ ทำงานด้วยคุณภาพจิตที่เป็นกุศลมันก็จะส่งผลย้อนกลับมาที่ใจของเราทำให้ใจของเราเนี่ยมีสติมากขึ้นไม่ต้องดูอื่นไกลเวลาเราปลูกต้นไม้นะทีแรกเราก็ต้องดูแลต้นไม้ ต้นอ่อนต้นกล้าทําให้เขาเติบโตเข้มแข็งช่วยกันกันแดดให้เขากันลมให้เขาแต่เมื่อต้นไม้นั้นโตขึ้นกลายเป็นไม้ใหญ่ขึ้นมาต้นไม้นั้นเองก็ช่วยปกป้องเรานะช่วยให้ร่มเงา คุมแดดกันฝนให้เราการลมนะไม่ให้มากระทบกระแทกอันนี้ก็เป็นเป็นกฎแห่งกรรมเหมือนกันนะคนไม่ค่อยมองกฎแห่งกรรมในแง่นี้เท่าไหร่ไปมองให้มันเป็นเรื่องของความศักดิ์สิทธิ์ความลี้ลับบางทีก็ไปถึงชาติหน้าโนนหรือชาติที่แล้ว แต่ว่ากฎแห่งกรรมมันแสดงออกมาในาวิถีชีวิตประจำวันที่เห็นได้ชัดถ้าเรารู้จักใช้กฎนี้เป็นประโยชน์ชนก็สามารถทำให้ชีวิตจิตใจของเราเจริญงอกงามได้เราต้องการจิตใจที่เจริญงอกงามเราก็ ต้องเริ่มต้นจากการที่ทำให้สิ่งรอบตัวของเราเจริญงอกงามไปด้วยหรือว่าทำการงานด้วยความใส่ใจถ้าเรางกายให้ใจเรามีสติมีความสงบมีสมาธิมันก็ต้องเริ่มต้นด้วยการที่เราทำสิ่งต่างๆไม่ว่างานเล็กงานน้อยงานใหญ่ด้วย สติด้วยใจที่สงบสติที่เราใส่ไปลงลงไปในงานสติที่เราใส่ลงไปในในอิริยาบถต่างๆมันไม่ได้หายไปไหนมันย้อนกลับมาบำรุงจิตใจของเราย้อนกลับมา ตั้งมั่นในจิตใจของเรามันไม่ใช่เกิดจากการร้องขอนะแต่มันเกิดจากการที่เรานะใส่ใจมันก็ตามหลักก็คือว่าอยากได้อะไรก็ต้องหวานสิ่งนั้นลงไปนะอยากได้มะม่วงก็ต้องปลูกมะม่วงนะ อยากได้ความสงบอยากได้สติเราก็ต้องวานสติลงไปเอาสติใส่ลงไปในงานเอาสติใส่ลงไปในอิรียบทแม้แต่อิรียบทเล็กๆล้างจานถูฟันอาบน้ำล้างเท้าเอาสติใส่ลงไปในสิ่งนั้นมันไม่ได้หายไปไหนเลย นอกจากจะทำให้งานนี้ประณีตหมดจดแล้วยังย้อนกลับมาทำให้ใจเราชีวิตของเราประณีตหมดจดด้วยเพราะฉะนั้นการจัดดอกไม้นี่มันไม่ใช่เป็นเรื่องที่จะเพียงแค่เสริมสร้างบรรยากาศทำให้ห้องหรือศาลานี้สวยอย่างเดียว ถ้าเราเปิดใจเพียงพอแล้วก็ถ้าเราใส่คุณภาพจิตลงไปในสิ่งนั้นเพียงพอให้สิ่งดีๆที่เราใส่ลงไปนั่นแหละก็จะกลับเข้ามาเติมเต็มหรือว่าหล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้งดงามไปด้วย การจัดดอกไม้นี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งเป็นการเจริญสติหรือทําสมาธิได้เหมือนกันเราอย่าไปคิดว่าการเจริญสติการทําสมาธินี่ต้องยกมือสร้างจังหวะตามลมหายใจหรือเดินจงกรมอย่างเดียวอันนั้นมันยังหยาบอยู่นะแต่ว่าจะต้องเอาสติ หรือว่าใส่สติลงไปในสิ่งต่างๆนะสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในจิตใจเราก็เติมลงไปในสิ่งที่เราทําไม่ใช่แค่สติอย่างเดียวนะความรักคือฉันทะความเมตตากรุณานะสิ่งนี้ถ้าเราใส่ลงไปก็จะส่งผลกลับมาที่เรา เหมือนกันเราเอาสิ่งดีๆใส่ลงไปเพื่อปรุงเป็นอาหารสิ่งดีๆที่ไม่มีพิษไม่มีภัยเราจะเป็นผักจะเป็นเครื่องปรุงเราใส่ลงไปเพื่อปรุงเป็นอาหารแล้วก็ใส่สติลงไปด้วยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าอาหารที่เกิด ที่เกิดจากการปรุงของเรานะั้นเมื่อเรากินเข้าไปมันก็กลับมาบำรุงร่างกายของเราทำให้ร่างกายของเรา ม, มีพลานาหมมีความเข้มแข็งแต่ถ้าเราเอาสิ่งเร็วๆสิ่งแย่ๆใส่ลงไปในการประกอบอาหารเมื่อเรากินอาหารนั้นมันก็กลับเป็นพิษเป็นผลร้ายต่อเรา ชันไรกก็ฉันนั้นในเรื่องสุขภาพใจมันก็ต้องเกิดขึ้นจากอาหารใจที่เราประกอบขึ้นมาอาหารใจที่เราประกอบขึ้นมาคือการทำงานการต่างๆด้วยความใส่ใจด้วยสติด้วยความรักด้วยฉันทะอะ พี่อาจารย์พูท่าบอกการทำงานคือการปฏิบัติธรรมก็คืออันนี้แหละ น, ลนะเมื่อเราทำงานด้วยด้วยคุณภาพจิ ต, จตนะที่ดีมันก็กลับมาเติมแต่งใหนะล่อเลี้ยงจิตใจของเราให้เจริญ ง, งอกงามด้วยการจัดดอกไม้นี่อยากให้เรามองให้ลึกนะ ไปว่ามันไม่ใช่แค่เราจัดดอกไม้เพื่อให้เกิดความสวยงามในบรรยากาศรอบตัวแต่ว่าเพื่อทำให้ใจเรางอกงามด้วยเราจะสังเกตหรือไม่ก็ตามแต่ถ้าเราทำด้วยใจที่ว้าวุ่นใจลอยทำด้วยความเร่งรีบหรือว่าทาด้วยความอยากจะประกวดประชัน เพื่อประกาศตัวตนว่าฉันเก่งกว่าฉันแน่ไอ้สิ่งนั้นมันก็กลับมาปรุงแต่งจิตใจของเราไปในทางลบได้เราใส่เราเอาขยะใส่ลงไปในงานเอาอกุศลนจิตใส่ลงไปในงานอากุศลหรือขยะนั้นก็กลับมาที่ใจของเรา ก็ทำให้กิเลส ข, ของเราฟูฟ่องขึ้นมาจริงๆแล้วนี่มันไม่ได้อยู่ที่ว่าดอกไม้สวยหรือไม่แต่อยู่ที่ว่าในกระบวนการที่เราจัดดอกไม้นั้นเนี่ยเราเราใส่อะไรลงไปกุศลหรืออกุศลตันหาหรือฉันทะกิเลสหรือว่า ความปรารถนาดีอันนี้เป็นความละเอียดอ่อนที่พึงใส่ใจการจัดด อ, อกไม้นี่เป็นเรื่องสําคัญนะในวัฒนธรรมบางวัฒนธรรมก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นเรื่องการทําความงอกงามใ ห, ให้เกิดขึ้นแก่จิตใจหรือจิตวิญญาณเช่นประเทศญี่ปุ่นนี่เขาก็ถือว่าการจัดด อ, อกไม้เป็นศิลปะขั้นสูง แล้วก็เป็นการปฏิบัติธรรมในตัวแต่ประเทศไต้หวันเนี่ยนะก็ ม, มีมูลนิธินึงนะมีชื่อมากชื่อจี้เขาทำโรงเรียนเขาสร้างหมหาวทิทยาลัยโรงเรียนเขามีชื่อมากไม่ได้มีชื่อในแง่ว่าเด็กเรียนเก่งอันนั้นไม่สำคัญเท่ากับว่าเด็กเขาเป็นเด็กที่มีคุณภาพเสียสละและมีความสุข และเป็นเด็กที่เก่งด้วยเก่งดีมีสุขนะอันนี้ก็เป็นผลผลิตของโรงเรียนของชื่อจี้ที่ประเทศไต้หวันมหาวิทยาลัยของเขาหมาวิทยาลัยเขาผลิตแพทย์พยาบาลก็มีชื่อโดยเพราะในเรื่องของการแพทย์ที่มีหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์หนะมองเขานี่ก็น่ารักนะพยาบาลเขาก็เอื้อเฟื้อใครที่ไปโรงพยาบาล ก็จะประทับใจว่าหมอเขาทั้งเก่งทั้งดีเมืองไทยก็ส่งคนไปดูงานเยอะทั้งครูทั้งอาจารย์ทั้งหมอทั้ง NGO กลับมาก็ประทับใจว่านะเขามีวิธีการที่ดีมากแล้วก็อันหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของเขา ก็คือวิชาจัดดอกไม้และชงชารวมทั้งเขียนเขียนตัวอักษรด้วยการจัดดอกไม้คนนี้เขาสอนตั้งแต่ปนหนึ่งไล่จนถึงมัธยมมีนํ่ซ้ำมหมอเทเลัย์มหมิเทาลัยแพทย์ก็ยังเรียนวิชาจัดดอกไม้มันน่าแปลกนะคนที่เรียนหมอนี่ก็ต้อง เรียนวิชาจัดดอกไม้ด้วยทั้งที่มันเอาไปใช้ในการทรมาหากินไม่ได้เลยแล้วก็ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกับการรักษาโรค ก, การผ่าตัดนะหรือว่าการยืดชีวิตของผู้คนแต่นี่แหละคือหัวใจของของฉือจี้เขาเรียกวิชานี้ว่าจริยสศิล ก็คือศิลปะที่ส่งเสริมจริยธรรมพราะเขามองว่าจริยธรรม เ, เป็นสิ่งสำคัญมากจริยธรรมในที่นี้ก็หมายถึงท่านี้ของการกล่อมเก ล, กลาจิตใจให้ประณีตแล้วก็มีคุณธรรมแล้วก็มีปัญญาด้วยมีปัญญาในเรื่องของธรรมะเด็กนักเรียนปอนหนึ่งก็เรียนแล้วนะจัดดอกไม้ ชงชาแลวเขาใชเป็นสื่อในการสอนจริยธรรมได้ดีมากนอกเหนือจากจากการกล่อมกล่าวจิตใจให้สงบเพราะว่าการจะทำสิ่งนี้ศิลปะเหล่านี้เนี่ยต้องอาศัยจิตใจที่ที่ไม่เร่งรีบไม่หุนหันพันแล่นต้องใช้ความประณีตเด็กที่ใจร้อนเด็กที่ไฮเปอร์ไม่ค่อยมีสมาธิ เพราะว่าดูทีวีดูโทรทัศน์เล่นวิดีโอเกมพอมาจัดดอกไม้นี่นเขาก็จะต้องฝึกความอดทนแล้วก็ฝึกความประนีตใช้เวลาไม่เร่งรีบล้วทีละน้อยทีละน้อยก็ก่อมกาจิตใจของเขาเนี่ยให้ให้สงบประณีต แล้วก็ในที่สุดสมาธิก็ค่อยๆยืดยาวมากขึ้นนะเพราะทำแต่ละอย่างต้องช้าตั้งแต่ก้าวเดินไปหยิบดอกไม้ค่อยๆมาใส่ใจกันทีละทีละอย่างทีละชิ้นทีละชิ้นชงชาก็เหมือนกันนะแต่ละวัยแต่ละชั้นนี่ก็ได้ประโยชน์หรือเรียนรู้จัก จัดดอกไม้หรือจริยสศิลป์นี่แตกต่างกันแต่โดยรวมคือว่านอกจากเป็นการกล่อมกลาวจิตใจให้ประนีตให้สงบให้มีสติมีสมาธิแล้วเนี่ยก็ยังใช้ดอกไม้ที่จัดนี่แหละเป็นเป็นสื่อสอนจริยธรรมได้เช่นพอทำเสร็จแล้วนี่ ครูก็อาจจะถามนักเรียนว่าดอกไม้ที่เราจัดเนี่ยนักเรียนได้ง่คิดอะไรบ้างบางคนก็บอกว่าดอกไม้หรือว่าใบาไม้เนี่ยมันจะงามได้เนี่ยบางทีก็ต้องมีการลิดกิ่งหรือว่าลิดใบบ้างต้องลิดใบออกมาบ้างมันถึงจะสวยงาม นักเรียนก็ได้แง่คิดว่าอ๋อความสวยงามนี่มันบางทีก็ต้องเกิดจากการลดการละนะไม่ใช่ว่าเกิดจากการเพิ่มอย่างเดียวเอาดอกไม้มาใส่เพิ่มเอาใบไม้มาใส่เพิ่มก็สวยแต่ว่าบางทีก็ต้องเอาออกบ้างหรือว่าลิดออกบ้างนะการลดการละมันก็ทำให้สวยงามได้ก็เหมือนก็นชีวิตของคนเราชีวิตจะ ง, งอกงามได้เนี่ยมันไม่ใช่เอาแต่ สแสวงหามาพอกพูนมากๆอย่างเดียวต้องรู้จักลดต้องรู้จัดละก็คือให้ใหเช่นการให้ทานจนึงการละกิเลสละความเห็แก่ตัวหรือว่าละความละอัตตาตัวตนเด็กเขาก็ได้เรียนรู้ว่าวการมีการได้ไม่ใช่สิ่งสำคัญเท่านั้น การละหรือว่าการสลัดออกไปก็สำคัญไอสิ่งนี้คนสมัยนี้ไม่ค่อยตระหนักเท่าไหร่เพราะเราคิดแต่จะเอาคิดแต่จะมีมากๆนะแต่ไม่ค่อยคิดถึงการปล่อยการวางหรือการสลัดอันนี้เดี๋ยวเขาก็ได้เรียนรู้งั้นเขาก็เรียนรู้มันก็เป็นสื่อไปสู่การให้ทานไปสู่การปล่อยวางการละกิเล่น จนถึงการมีชีวิตที่เรียบง่าย ม, มีชีวิตมากๆมีทรัพย์สินเงินทองมากๆก็ไม่ใช่ดีบางทีการมีน้อยๆ น, ยนะมันก็ทาให้ชีวิตนี้เรียบง่ายแล้วก็งดงามได้แล้วบางคนก็บอกว่านี่เออดอกไม้แจา ก, กาันดอกไม้มันสวยงามได้ก็เพราะว่าดอกดอกไม้ดอกใหญ่คอยรองรับ ดอกไม้ดอกไน้อยๆหรือใบไม้ใบใหญ่เนี่ยเป็นฐานให้กับใบไม้ใบน้อยๆก็ได้แง่คิดว่าผู้ใหญ่นะก็ต้องเสียสละหรือว่าเป็นเป็นผู้สนับสนุนให้ผู้น้อยเขาจเจริญงอกงามหน้าที่ของผู้ใหญ่ผู้ที่มีอาวุโสก็ต้องช่วยสนับสนุนส่งเสริม ผู้ที่มีอายุน้อยนะให้ได้ชูช่อเด่นขึ้นมาอันนี้เขาก็ได้บทเรียนว่าเออนะเราเป็นนักเรียนป .6 เราก็ต้องส่งเสริมสนับสนุนนักเรียนป .4 ป .2 ให้เขาได้โดดเด่นขึ้นมาอันนี้คือความเสียสล ะ, ส ะ, สะเขาก็ได้บทเรียนเรื่องความเสียสละ คือมันมีมุมมองจากธรรมชาติจากแจกันจากดอกไม้ที่เราจัดได้เยอะแยะไปหมดบางคนก็เห็นว่าเออก้อนหินก้อนนี้มันอยู่ข้างทางมันไม่สวยเลยใบไม้แห้งๆกิ่งแห้งๆมันไม่ดูมันดูไม่สวยเลยแต่พอมาจัดแล้วนี่มันสวยนะ เขาก็เห็นว่าอ๋อทุกสิ่งทุกอย่างนะมันมีคุณค่ามันมีความสวยงามแต่ว่าขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับสถานที่ขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยสิ่งแวดล้อมแม้แต่ดอกหญ้าที่ดูเหมือนไม่ไม่ค่อยน่าสนใจแต่พอมาจัดในใจกันสวยขึ้นมา เขาก็เห็นว่ามันก็เปรียบที่เหมือนคนเรานะบางคนก็เรียนไม่เก่งบางคนก็อาจจะพิการบางคนก็อาจจะตัวเล็ ก, ลกนะหรือบางคนอาจจะไม่ค่อยฉลาดฉเฉลียวแต่ทั้งหมดนี้ล้วนมีคุณค่าล้วนมีความสามารถ ถ้าเอามาใช้หรือถ้ามาอยู่ในจุดมาอยู่ถูกที่ถูกทางก็สามารถสร้างสรรค์สิ่งต่างๆได้มากมายเหมือนกับก้อนกรวดที่ดูไร้ค่าแต่พอมาจัดแล้วมันสวยงามอันนี้ก็ทำให้คนเนี่ยเห็นคุณค่าของสิ่งต่างๆไม่ดูถูกเย็ดยามเช่น ว, ว่าไม่เห็นว่าเออนักการพารลนี่เขาเออไม่มีคุณค่านะ หรือว่าคนพิการนี่ไม่มีคุณค่านะอะที่จริงไม่ใช่เขามีคุณค่าแต่ว่าขึ้นอยู่กับสถานการณ์คนฉลาดคนเรียนเก่งแต่ถ้าไปปล่อยเกาะนี่ก็ก็ทำอะไรไม่ได้เลยนะก็เรียกว่าเป็นใบ้ไปเลยเพราะว่าทําอะไรไม่เป็นแต่ว่าคนที่เรียนไม่เก่งเลี้ยงควายแต่พอไป พ า, าไปปล่อยเกราะนี่โอเ้เขาช่วยเขาสามารถที่จะทําอะไรได้เยอะแยะสามารถที่จะช่วยเหลือเพื่อนพ้องได้มากมายจับปลาก็ได้สร้างเพิงสร้างที่พักก็ได้คนเลียงเก่งจบปริญญาเอกนี่แทบจะกลายเป็นภาระไปเลยไม่มีคุณค่าเลยก็ว่าได้ในสถานการณ์เช่นนั้น หรืออย่างตอนเกิดเนี่ยตอนเกิดพายสึนามิหรือว่าแผ่นดินไหวเนี่ยบางทีคนเก่งจบปริญญาเอกนี่ทำอลไม่ได้เลยแต่ว่าคนที่เลไม่เก่งเป็นกรรมกรนี่เขาจะมีความสำคัญมากอันนี้ทุกคนมีความสำคัญทั้งนั้นแต่ว่าขึ้นอยู่กับบริบทขึ้นอยู่กับเหตุปัจจัยขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อม หรือแม้แต่ในที่ทํางานถ้าหาว่าเอาแต่ละคนมาร่วมมือกันคนละไม้คนละมือก็สามารถจะสร้างสรรค์สิ่งยิ่งใหญ่ได้อันนี้ก็เป็นการสอนจริยธรรมที่สําคัญมากซึ่งเมืองไทยเราไม่ค่อยได้ปลูกฝังความคิดแบบ น, นี้เท่าไหร่เพราะฉะนั้นปริญญาเอกก็ดูถูกปริญญาโทรปริญญาโทก็ดูถูกปริญญาตรี ปริญญาตรีก็ดูถูกปาวาสปาวาชปาวสปาวา ช, ปาวาชก็ดูถูกปาาหกนะก็ดูถูกกันเป็นขั้นๆไปเพราะเห็นว่ามองคนแค่มิติเดียวหรือว่าคนสวยก็รู้สึกเฉิดฉายคนไม่สวยก็รู้สึกว่าด้อยค่าแต่ที่จริงแล้วนี่มันไม่ใช่นะทุกคนมีค่ามีศักยภาพมีความสามารถถ้าเราคิดแบบนี้ มันก็ช่วยทำให้เราเกิดความรักความเมตตาต่อกันแล้วก็ให้กำลังใจกันเนี่ยเรื่องเรื่องธรรมะเนี่ยนะเราสามารถที่จะเรียนรู้ได้จากจากธรรมชาติได้มากมายเพียงแต่ว่าเรารู้จักเปิดใจฟังแล้วก็เปิดตา ศึกษาจากธรรมชาติบ้างไม่ใช่อ่านแต่ตำราหรือดูคำภีอาจารย์พุทธทาย์ก็บอกคนที่มาส่วนโมกวันนี้ให้ไปฟังเสียงต้นไม้พูดให้ไปฟังธรรมะจากก้อนหินบ้างนั้นเราลองดูดีๆนะสิ่งธรรมชาติรอบตัวนี้เขาสอนในละเรามากมาย ต้นไม้เอ่ยก้อนหินเอ่ยสายลมหมู่เมฆนะก็สอนธรรมะหลวงปู่มั่นท่านเคยพูดว่าเนี่ยสำหรับผู้มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้าที่ท่านพูดนี้ก็เพราะว่ามีพระชั้นราชาคณะท่านหนึ่งนะท่านแปลกใจว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยเลี้ยงก็ไม่สูง บาลีก็ก็ไม่ได้เรียนเรียนแค่นักธรรมชั้นต่ำแล้วก็อยู่แต่ในป่าทำไมท่านรู้ธรรมะได้พระราชกณธท่านนี้ท่านเป็นสมเด็จนะแล้วก็ท่านก็มีความรู้ประโยคเก้าท่านก็คิดว่าธรรมะเนี่ยจะจะรู้ได้ก็ต้องผ่านการเรียนสูงสูงยิ่งประโยคเก้านี้ยิ่งมีความรู้ แต่ปรากฏว่าเอาตัวไม่รอดเพราะว่าพอท่านป่วยเนี่ยก็ทรมานมากจนกระทั่งพระอาจารย์ฟัน่นพระอาจารย์ฟั่นนี่ก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่นได้มาสอนสมาธิให้กับสมเด็จท่านนี้สมเด็จท่านนี้แต่ก่อนนี่ท่านรังเกียจพระป่ามากหาว่าเป็นพระจระจัด นะเป็นพวกงมงายวิชาความรู้ไม่มีสมัยท่านเป็นพระราชาคณะนี่พอมีพระป่าเข้ามาในเขตมณฑลของท่านสมัยก่อนเป็นมณฑลนะท่านอยู่มณฑลอีสานะพระป่าเข้ามาอยู่ในเขตปกครองท่ า, น, ทา น, น, นก็ไล่ไปซะโดยพราพระป่าสายาจรรยันมั่นท่านก็ไล่เพราะทําไม่รู้ว่าไม่เห็นว่าจะมีประโยชน์อะไรพระไม่อยู่วัด ไม่เรียนหนังสือแต่ว่าพอท่านป่วยพระอาจารย์ฟั่นก็มาสอนสมาธิภาวนาให้บอกว่าหายเลยนะคือท่านเครียดนะเครีย ด, ยดพอทำสมาธาาทิท่านหายเลยท่านถึงกออกปากว่าตั้งแต่บวชมานี่ไม่เคยรู้เลยว่าสมาธิภาวนาจะมีคุณค่าถึงขนาดนี้นี่ขนาดพระนะ เพราะว่าท่านไปหลงว่าเรียนหนังสือก็พอล้เพราะฉะนั้นท่านก็เลยเกิดศรัทธาในหลวงปู่มั่นแล้วเมื่อเจอหลวงปู่มั่นก็เลยถามว่าหลวงปู่มั่นเนี่ยเรียน เ, เรียนเรียนมาน้อยทําไมถึงรู้ธรรมสอนทำได้ลึกซึง้งหลวงปู่มั่นก็ตอบว่าเนี่ยสําหรับผู้ที่มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมญ้าอันนี้เป็นคําตอบที่ลึกซึ้งมาก นะที่เราก็ควรจะเปิดใจนะเรียนรู้จากธรรมชาติบ้างนะไม่ว่าจะเรียนส่วนใหญ่ก็เรียนธรรมชาติในแง่ทางโลกรู้ว่าต้นไม้มันจะออกดอกใช้เวลานา น, นเท่าไหร่ต้องใช้ปุ๋ยอะไรบ้าง N P K สัสดส่วนเท่าไหร่กวามันจะออกนี่องใช้เวลากี่เดือน อันนั้นเป็นการรู้แบบหยาบๆรู้ทางโลกแต่ว่าความรู้ที่ลึกซึ้งนี่มันก็ได้เหมือนกันนะความรู้ทางธรรมะรู้จักชีรู้เรื่องชีวิตคติธรรมในการดำเนินชีวิตก็มาจากธรรมชาติได้อย่างต้นไม้เนี่ยนะต้นไม้นี่มันจะยิ่งสูงเท่าไหร่นี่รากก็ ย, ยิ่งยิ่งลึกต้นไม้สูงถ้ารากไม่ลึกนี่ก็เสร็จนะโดนพายุ พ อ, อยุโคนพ อ, อยุลม้มยิ่งสูงยิ่งแทงยอดสูงเท่าไหร่ลากก็ต้องยิ่งหลังอย่างลึกลงไปในดินมากเท่านั้นเพราะอะไรนะก็เพ่อจะทำให้สามารถที่จะยืนหยัดได้มั่นคงก็เมื่อคนที่มีความรับผิดชอบมากมีหน้าที่การงานสูงยิ่งมีความจาเป็นที่จะต้องอย่างจิตลงไปให้ลึกจิตต้องลุ่มลึกเนะเพราะาไมลุ่มลึกแล้วเนี่ย ไอ ห, หน้าที่การงานคอรารับผิดชอบสูงสูงก็ทำให้เสยส่วนด้สวดสวเสได้เพราะว่าพอยิ่งสูงมันก็ยิ่งเจอลมคือคนพอมีความรับผิดชอบมากๆกเนี่ยก็จะตกเป็นเป้านะเช่นถ้าเป็นนายรัฐมนตรีเป็นรัฐมนตรีก็หรือเป็นผู้บริหารก็จะถูกวิพากวิจาร์านะถูกลมปากสารพัดถูกเลื่อยเก้าอี้ซึ่งถ้าไม่มีจิตใจที่ ลุ่มลึกมั่นคงนะก็จะทำด้ำดก็จะอยู่ด้วยความทุกข์นะแล้วกลายเป็นคนที่หวงกิหวงตําแหน่งหวงกิหวงอํานาจนะใครแตะใครต้องไม่ได้โกโรธนะี่ก็เพราะจิตใจไม่ยังลึกพอก็เลยทําด้วยความทุกข์อยู่ด้วยความทุกข์แต่ถ้าว่าเราเรียนรู้จากต้นไม้นะต้นไม้นี่เขายิ่งสูงเท่าไหร่จิตลายิ่งยังลึก แล้เมื่ อ, อย่างลึกลงไปก็เจอน้ําใต้ดินก็สามารถที่จะเขียวสดได้ตลอดปีอย่างที่พูดเมื่อเช้าไม่มีฝนตกลงมาก็ยังเขียวได้เพราะว่าเขารู้จักพึ่งตนเพราะเขามีสามารถย่างลึกลงไปถึงน้ําใต้ดินภายในในใจเราก็มีความสุขภายในที่ย่างลึกถ้าเราย่างลึกไปเพียงพอก็พบความสุขแต่ถ้าจิตเราตื้นจิตเราหยาบก็ไม่มีทางที่จะพบกับความสุขภายในได้เราก็มี สภาพไม่ต่างจากไม้ล้มลุกที่ต้องคอยพึ่งน้ําจากฟ้าเมื่อคนที่ต้องพึ่งความสุขจากสิ่งภายนอกต้องพึ่งความสุขจากเพื่อนจากเงินทองจากอาหารจากเพลงจากสิ่งเเสพจากละครจากคําชมของผู้คนรอบข้างถ้าพวกนี้นี่เป็นก็ไม่ต่างจากพืชล้มลุกนะ ก็คือพอไม่มีสิ่งภายนอกเหล่านี้มามามาพรมพร่างเข้าก็ชีวิตก็แห้งจิตใจก็แห้งผากไม่มีความสุขกระสับกระส่ายขึ้นมาต้องดิ้นหล่นไปหาความสุขจากภายนอกแล้วก็ไม่เคยพบความสุขที่แท้สักทีนะต่อเมื่อพบความสุขภายในเพราะใจอย่างลึกนะก็จะอยู่ได้ แม้อยู่คนเดียวก็อยู่ได้นะไม่คุยกับใครเลยทั้งวันอยู่คนเดียวก็อยู่ได้เพราะว่ามีความสุขจากภายในมีใจเป็นเพื่อนมีใจเป็นมิตรนะนะก็ไม่มีความทุกข์ทรมานอันนี้ก็ก็ฝากเอาไว้นะพวกเราให้ เ, เป็นแงกคิดสำหรับประกอบกิจกรรมที่เราได้ทำเมื่อตอนบ่ายแล้วก็พอสมควรแก่เวลาก็กราบพระ